ปปตยานญาณที่9จุตูปปาตยานปรีชากําหนดรู้จุติเล่อุบัตของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นต่างๆกันโดยกรรมญาณข้อนี้หมายความว่าทัตพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องการตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งเพราะเป็นการรู้ด้วยทิพยสูตรขอให้สังเกตข้อความในมหาสีหนาฏสูตร ซึ่งพระ์ได้ตรัสไว้ดังต่อไปนี้ดูกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งสถาคตย่อมเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติแลว้วเประน้นีมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธ์ร่วมจักษุ ข, ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตติเตียนพระริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเข้ายกเข้าถึงอบายทุกติวิดิบาสนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริต ไม่ติเตียนพระริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ดูกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตเห็นมูสัตวที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวระณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยาก ด้วยที่ประจักษสู่อันบริยสิ์ร่วงจากสูของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาณในฐานะแห่งผู้เป็นโจกบลือีรษนาตในบริษัทยังพรมจักให้เป็นไปข้อความในพระสวดนี้ได้เคยอ้างมาแล้วครั้งหนึ่ง ในตอนที่ที่บายเรื่องสัพพะถาคามิดีปฏิปทาญานปรีชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงเพราะญาณทั้งสองข้อนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกล่าวคือการที่พระพุทธเจ้าจะทรงรู้แจ้งว่าคนที่ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้รับผลอย่างไรนั้น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 ความจริงกำลังจะเกิดใหม่แต่ถ้ามองดูด้วยตาธรรมดาก็จะรู้แต่เพียงว่าคนนั้นกำลังจะหมดลมหายใจและร่างกายอันนั้นในที่สุดก็จะป่วยเน่าผุพังไปถ้าเห็นแต่เพียงแค่นี้ก็ต้องบอกว่าคนนั้นตายแล้วศูนย์แต่สำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งมีทิพยจักษุ ทรงมองเห็นในใจในขณะที่อยู่ในสมาธิว่าคนที่กําลังจะตายก็คือคนที่กําลังจะเกิดใหม่เพราะทุกคนในขณะที่กําลังจะสิ้นใจ น, นั้นจิตไร้สํานึกจะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ซึ่งร่างกายอันนี้เป็นร่างกายซึ่งเกิดจากใจล้วนๆและจิตไร้สํานึกที่สร้างร่างกายนั้นก็คือจิตที่เป็นวิบาก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 พระองค์ก็จะทรงสามารถที่จะติดตามรู้ได้ทุกแขนด้วยเหตุนี้ปรีชาที่ำํำรวจรู้เรื่องจุติและปฏิสนธินั้นจึงต้องอาศัยทิประจักษ์สูตรและต้องอาศัยการระลึกชาติด้วยจากหลักที่อ้างมานี้เราจะเห็นได้ว่าการที่จะสอนสาศาสนาให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์นั้น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 เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีอาการอย่างไรเจ็บปวดทรมานอย่างไรและรักษาอย่างไรจึงจะหายหรือรู้ว่าโรคนี้เมื่ออยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางรักษาหายพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นคนใดประพฤติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างไรก็ทรงรู้แจ้งทันทีว่า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 เป็นเพราะได้ทำกรรมอะไรไว้ในอดีตและการรู้เช่นนี้เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองอันหนึง่งจากข้อความในพระสูตรดังที่กล่าวมานี้เราจะได้ข้อคิดว่าการสอนศาสนาในปัจจุบันที่ไม่ค่อยจะได้ผลก็เพราะผู้สอนส่วนมากไม่รู้แจ้งไม่แน่ใจว่า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 ก็จะไม่ได้ผลตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นการสอนศาสนาที่จะให้ได้ผลจริงๆนั้นก็ขอให้นึกถึงหลักในเรื่องจุตูปปาตยานซึ่งหมายความว่าใครก็ตามถึงแม้จะมีความรู้ปราดเปรื่องในเรื่องศาสนาแต่ถ้าหากไม่มีความแน่ใจในเรื่องตายแล้วเกิดในเรื่องกฎของกรรมแล้ว ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้เป็นผู้สอนศาสนาจริงอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะไปหาคนที่ระลึกชาติได้หรือได้ตาชิปนั้นเป็นการยากที่สุดแต่บางทีเราก็ได้ข่าวว่าคนนั้นคนนี้หรือพระองค์นั้นองค์นี้สามารถระลึกชาติได้ท่านได้ตาชิปอะไรทำนองนี้ ข่าวในทงนอง น, นี้ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นที่ไหนที่สามารถจะนำพิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับต่อหน้าผู้รู้ทั้งหลายได้แต่ถึงกระ น, นั้นเราก็ไม่ควรจะละความพยายามในอันที่จะช่วยกันส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงผลที่ว่า น, นี้ให้จงได้แต่อย่างไรก็ดีสำหรับในระยะแรกนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่จะสอนศาสนานั้นถึงหากจะระลึกชาติไม่ได้ไม่ได้ตาคิดแต่ก็ควรจะมีความแน่ใจและมีความเข้าใจเหตุผลด้วยในเรื่องการตายและเกิดและในเรื่องกฎของกรรม